ตอนที่39ไม่พบหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่วัดร้างมาได้พักพวกที่เหลือของกลุ่มรอบสังหารก็เหลือเพียงหัวหน้าและลูกน้องอีกหนึ่งคนที่หนีรอดไปได้หัวหน้าผู้นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสคงไม่สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้นเยี่อ ย, ยาวจึงวังใจได้ชั่วคราวไม่ต้องกังวลว่าจะบังเอิญเจอสายและพกนั้นอีกทว่าอาการป่วยครั้งนี้หนักหนาสาหัส จ, จริงๆนางต้องนอนสมอยู่ถึงสามมลกว่าจะลุกจากเตียงได้อาการป่วยที่ค่อยๆทุเลาลงดูจา ก, การสาวเส้นไหมออกจากกรังทําให้นางสู้ผอมลงไปหนึ่ง ตลอดสามวันนี้หลินเซินต้องกินหฮาไปนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดเมื่อเย่เยาเริ่มมีสติและลุกจากเตียงได้เจียนเจียก็เข้ามาแจ้งข่าวอีกครั้งคุณหนูซื้อจื่อรออยู่หน้าประตูนานแล้วเจ้าค่ะไปลู่ช่วยเสริมช่วงที่คุณหนูป่วยหลายวันนี้เขามาทุกวันยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูไม่เคยขาดเลยนะเจ้ากะเจียนเจียคุณหนูจะลองพบไม่พบเย่เยาเอ๋อยขัดจังหวะพวกนางอย่างเย็นชาเป็นการเอ่ยแบบกัดฟันกรอดเลยทีเดียว เจียนเจียจึงจำต้องออกไปปฏิเสธเขาแต่ก็ได้แจ้งข่าวเรื่องที่อาการของเย่ยยเดียดีขึ้นและฟื้นขึ้นมาแล้วให้เขาทราบวันที่สองเขาไม่เพียงแต่มาด้วยตัวเองแต่ยังให้คนหามหีบใบใหญ่สองใบที่เต็มไปด้วยผ้าไหมแพรพันมาด้วยและกำชับให้เจียนเจียนำมามอบให้ต่อหน้าเยี่ยยเจียนเจียถ่ายทอดคำพูดของเขาซื้อจื่อบอกว่าคืนนั้นที่วัดร้างเขาทำเสื้อผ้าของคุณหนูขาดขณะพูดเจียนเจียก็ลอบกลืนน้ำลายพยายามทำใจกล้าพูดให้จบเขารับปากว่าจะซื้อชุดใหม่ให้คุณหนูเจ้าค่ะ ซึ่งคำบรรดาสาวใช้ในห้องต่างพากันอ้าปากค้างคืนนั้นซื้อจือกับคุณหนูเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงขั้นทำเสื้อผ้าขาดเลยหรือเย่ยาแทบจะกัดฟันจะแหลกยังคงยืนยันคำเดิมไม่พบเจียนเจียประคองเสื้อผ้าไว้อย่างลำบากใจแต่ซื้อจือบอกว่าของพวกนี้เขาจะไม่เอาคืนไปเจ้าคะ่ะเย่เยาเหลือมองค้อนวงใหญ่งั้นก็เอาไปบริจาคช่วยผู้ประสบภัยบรรดาสาวใช้ไม่ช่วยพวกนางก่อนหรือเจ้าคะ เยี่ยยาวสิ้นโจเกิดน้ําท่วมใหญ่ราศดรไรที่อยู่อาศัยผู้อพยพที่หนีออกมาได้ในช่วงไม่กี่วันนี้ก็น่าจะถึงเมืองหลวงกันแล้วเอาของพวกนี้ไปแจกจ่ายช่วยผู้ประสบภัยเถอะแล้วไปติดต่อบรรดาเท่าแก่ร้านข้าวสารในเมืองหลวงระดมสเสบียงอาหารเตรียมตัวบรรเทาทุกข์สาวใช้ทั้งสองเกาหัวอย่างงุนงงคุณหนูทราบได้อย่างไรเจ้าเขาว่าผู้ประสบภัยจะมาที่เมืองหลวงแล้วทราบได้อย่างไรว่าต้องเตรียมการเรื่องพวกนี้ล่วงหน้าเยี่ยย่อย่อมต้องทราบดีอยู่แล้ว เมื่อไม่กี่วันก่อนเริ่มมีผู้ประสบภัยทยอยเข้าเมืองหลวงมาบ้างแล้วมิเช่นนั้นหลินเซินจะใช้ข้าออ้างเรื่องการตั้งโรงทานบรรเทาทุกมาขัดขวางการขอมั่นของชูชื้อได้อย่างไรน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ทำไปได้เพียงสองวันก็รื้อโรงทานทิ้งในช่วงไม่กี่วันนี้เมื่อผู้ประสบภัยหลังไหลเข้ามาหากไม่มีใครจัดการย่อมต้องเกิดความวุ่นวายเหมือนในชาติก่อนอย่างแน่นอนชาติก่อนท่านพ่อและท่านที่สังเกตเห็นว่ามีผู้ประสบภัยบนท้องถนนมากขึ้นเรื่อยๆจึงเริ่มเต ร, ร, เรียททมานานนแล้ว พวกเขาทุกวิถีทางเพื่อระดมสเสบียงอาหารแต่กลับถูกใส่ร้ายว่าสมคบคิดกับศัตรูขายชาติจนถูกปลดจากตําแหน่งและติดคุกทําให้เรื่องล่าช้าออกไปผู้ประสบภัยจํานวนมหาาลหลังไหลเข้ามาแย่งชิงอาหารกับชาวเมืองหลวงก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บและล้มตายเป็นจํานวนมากท่านพ่อและท่านพี่ทนเห็นราษฎรต้องทนทุกข์จากภัยธรรมชาติแล้วยังต้องมาเจอภัยจากน้ํามือมนุษย์ไม่ได้จึงให้หลิงเซินสารต่อแผนการบรรเทาทุกข์ที่ถูกทิ้งไว้ ลินเซินจึงได้เสวยสุขจากผลงานที่ท่านพ่อและท่านที่เตรียมไว้ใช้สเสบียงเหล่านั้นบรรเทาทุกสยบความวุ่นวายจนได้รับความดีความชอบครั้งใหญ่เมื่อในถึงเรื่องนี้เย่เย่ก็ยิ่งโกรธพบเขาหรือฟันไปเถอะเอาเป็นว่าทําตามที่ข้าสั่งก็พอสาวใช้ทั้งสองรายทางเลือกได้แต่รับคําสั่งลินเซินถูกปฏิเสธอีกครั้งแต่เขากลับไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยวันนี้ไมพบพรุ่งนี้ข้าก็จะมาใหม่พรุ่งนี้ยังไม่พบมารุนข้าก็จะมาอีกจนกว่าคุณหนูบ้านเจ้าจะยอมพบข้า เขาเดินจากไปอย่างสงา่าพาเผยเจนเจี ย, จยได้แต่สายหน้าพางถอนหายใจซื้อจือเป็นคนดีขนาดนี้ไม่ได้ได้ไปกว่าคุณชายเปี่ยวเลยนะเจ้ากระทำไมคุณหนูถึงไม่ชอบหน้าเขาขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะเขาใช้งานไม่ได้เจนเจียรูยรร้สึกกระดักอายรีบสะบัดหัวแล้วหมุนตัวไปรายงานข่าวให้เย่เ ย, ยาทราบอีกครั้งเย่เ ย, ยาพาไปลูกไปที่ห้องหนังสือเพื่อหาท่านพ่อและทันทีเมื่อได้ยินคารายงานของเจนเจียนางก็แทบจะกรอกตาขึ้นฟ้า ท่านพ่อและท่านพี่เดินออกมาจากห้องหนังสือเย่เยาไม่มีเวลาไปโกรธลินเซิร์นางรีบเดินเข้าไปหาและพอดีกับที่ได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องการบรรเทาทุกข์เรื่องสเสบียงอาหารเป็นปัญหาใหญ่ต้องรีบหาวิธีแก้ไขโดยเร็วท่านพี่พยักหน้าเห็นด้วยเยี่เยาวก็เดินเข้าไปท่านพ่อทันพี่ข้าได้สั่งคนไปติดต่อร้านข้าวสารในเมืองหลวงแล้วรับรองว่าจะต้องระดมสะเสบียงมาได้แน่นอนเจ้าค่ะสองพ่อลูกทั้งตกใจและดีใจ เยาว์เยาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพ่อกับพี่ชายเจ้ากําลังกลุ่มใจเรื่องสเสบียงอยู่พอดีไม่สิต้องถามว่าเยาว์เย า, ยาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเราจําเป็นต้องระดมสเสบียงยี่เยาว์เตรียมคําตอบไว้แล้วสิ้นโจน้ําท่วมใหญ่ดีกาที่เกี่ยวข้องถูกส่งมาที่เมืองหลวงตั้งนานแล้วไม่ใช่ความลับอะไรเลยเจ้าคะ่ะท่านพ่อและท่านพี่ไม่เห็นด้วยกับการที่สิ้นอ๋องจะใช้กําลังทหารกับพวกตันตีมาโดยตลอดก็เพื่อเห็นแก่ราษฎรที่ประสบภัยใช่ไหมเจ้าคะ ได้ยินดังนั้นเย่ออูเสียก็ถอนหายใจยาวมิใช่เพียงสิ้นโจที่น้ำท่วมแถบอีโจก็แห้งแล้งหนักส่วนเฉียนโจก็มีโจรผู้ร้ายชุกชุมภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์เกิดขึ้นในหยุดหย่อนราศฎรช่างลำบากเหลือเกินพอเกิดสงครามก็ต้องสูญเสียท่านกำลังคนและทรัพย์สินมหาศาลเงินพวกนี้หากเอามาใช้กับราษฎรที่ประสบภัยจะดีเพียงใดท่านพี่ก็พยักหน้าทางด้านตันตีไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นพวกเขาไม่กล้าส่งทหารมาง่ายๆหรอก ดังนั้นเราจะไม่มีความจําเป็นต้องเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีตันตีก่อนอย่างน้อย <c oughs> ก็ควรแก้ปัญหาปากท้องของผู้อบพยพในเมืองหลวงให้ได้เสียก่อนเยีเยยวเห็นด้วยอย่างยิ่งพยักหน้าหนึกๆมีหน้าเล่าท่านพ่อและท่านที่ถึงได้พยายามคัดค้านสิ้นอองไม่ให้โจมตีตันตีในตอนนี้แต่น่าเสียดายที่สิ้น อ, องกลับไม่ยอมฟังคําเตือนเรื่องสเสบียงท่านพ่อและท่านที่ไม่ต้องกังวลให้เป็นหน้าที่ของเยี่ยยวเถอะ เ, เจ้าค่ะ ข้าจะใช้ฐานนบุตรสาวเอกของโจนกัวกงเป็นผู้นำในการทำความดีบรรดาเศรษฐีทั้งหลายย่อมต้องพากันมาเข้าร่วมแน่นอนรับรองว่าจะต้องระดมสเสบียงมาได้แน่พอได้ยินว่านางจะออกไปข้างนอกอีกสองพ่อลูกก็ตกใจรีบปฏิเสธเสียงแข็งเจ้าหายดีแล้วหรือถึงได้ลืมความเจ็บปวดเร็วขนาดนี้อย่าลืมนะว่ายังมีสายลับอีกสองคนที่ยังจับไม่ได้ถูกลักพาตัวไปครั้งหนึ่งแล้วอาการป่วยก็เพิ่งจะดีขึ้นดูสีหน้าตาเจ้ายัางซีเซียวอยู่เลยแต่กลับคิดจะออกไปข้างนอกตลอด เป็นลูกผู้หญิงจะมามัวกังวลเรื่องพวกนี้ทําไมนี่ใช่เรื่องที่สตรีในหอห้องควรจะเข้าไปยุ่งหรือพวกเขาผลัดกันพูดคนละประโยคเยียวยอดคําไม่ได้นางใช้เพียงไม่กี่คําก็ทําให้พวกเขาพูดไม่ออกหากข้าไม่ออกหน้าท่านพ่อกับท่านพี่จะใช้วิธีบังคับเก็บสเสบียงหรือเจ้าคะพวกเศรษฐีเหล่านั้นย่อมต้องไม่พอใจถึงตอนนั้นสเสบียงพวกนี้อาจจะไม่ได้ระดมมาได้ง่ายๆอย่างที่คิดนะเจ้ากะผู้ประสบภัยในเมืองหลวงเปรงว่าจะไม่น้อยเลย สองพ่อลูกทั้งคู่สบตากันเยี่ยวหัวทำหน้าขรึมแต่โทนเสียงอ่อนลงจะออกไปข้างนอกต้องให้พี่ชายเจ้าไปด้วยท่านที่พยักหน้าเงยๆพร้อมกับกระซิบเสริมแล้วก็ห้ามให้พี่สะพยกับท่านปู่ท่านย่ารู้เรื่องนี้เด็ดขาดหากพวกท่านรู้ว่าเ ย, ยเยี่ยวเพิ่งจะหายป่วยก็เสี่ยงออกไปจัด ก, การเรื่องโน้นเรื่องนี้มีหวังหัวของสองพ่อลูกคงได้ระบมไปหมดแน่เยี่ยวยิ้ยมอย่างเข้าใจเข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะ พ่อลูกทั้งสตกลงเห็นพ้องกันในเรื่องนี้ดังนั้นในวันที่สองเมื่อหลิงเซินมาที่จวนกัวกงอีกครั้งแม้แต่เจียนเจียและไปลูกเขาก็ไม่ได้เจอสาวใช้รายงานว่าคุณหนูกับคุณชายออกไปข้างนอกด้วยกันแล้วเจ้าขมีธุระสาคัญต้องจัดการธุระสาคัญหลินเซินสงสัยธุระสาคัญอะไรเรื่องนี้บ่าวไม่ทราบเจ้าคะ่ะแล้วรู้ไหมว่าพวกเขาไปที่ไหนสาวใช้ครุ้นคิดดูเหมือนจะเป็นหอทิงเสวียเจ้าคะ่ะ หอทิงสเสวียอีกแล้วหรือหลินเซินไม่ได้ถามอะไรต่อหมุนตัวมุ่งหน้าไปยังหอทิงสเสวียทันทีเมื่อไปถึงก็ประจบเหมาะกับที่เย่เยวกำลังขึ้นรถม้า ก, ก่อนที่ม่านจะปิดลงนางเหลือไปเห็นเขาพอดีจึงใช้หางตาค้อนขอบใส่เขาอย่างแรงหนึ่งที